จะเห็นได้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดพัดธรรมารมณ์เนี่ยคืออายตนะภายนอกเป็นสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในสิ่งรับการกระทบคือมันเป็นตัวรับการกระทบนั่นเอง เพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่ามันจะมีคาว่าสัญญาความจำได้หมายรู้เข้า ม, มาที่ความคิดด้วยเห็นไหมสังขารการปรุงแต่งใจก็จะเข้ามาในความคิดด้วยเห็นหเพราะฉะนั้นใครเข้าใจว่ายังไรเชิญเอาเฉพาะช่วงนี้ก่อนเอาเฉพาะช่วงนี้ก่อนนะเจ้าเนี่ยใครเข้าใจว่ายังไรจ้าเชิญ ว่าไงมีใครเข้าใจว่ายังไงบ้างจากตรงนี้อ่าเชิญอ่าสิ่งกระทบคืออายตนาภายนอกกระทบกับอุยานภายใน กระทบกระยาผ่านตาภายในปุ๊บก็จะเกิดการทํางานของขันอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็จะเกิดการทํางานของขันอยู่2รูปแบบก็คือการเกิดสัญญาถ้ามันเป็นสิ่งใหม่แต่ถ้ามันเป็นสิ่งเก่าก็การจําได้หมารู้เป็นการระลึกถึงสัญญาเก่าพอหลังจากสัญญาเก่าเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดสังขารตามมาก็คือปรุงแต่งว่าชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมว่ามีใครเข้าใจยังไงอีกเชิญฮะ มาแล้วหนึ่งเชิญฮะเข้าใจว่าทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผทะพะ ธ, ธรรมารมณ์สัญญาสังขารมันเข้ามาเก็บไว้ที่ความคิดเก็บไว้ในจิตของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นที่กระทบจากภายนอกหรือภายในเราเอาเข้ามาเก็บไว้ในจิตของเราค่ ะ, อะโอเคฮะมีอีกไหมฮะเชิญฮะ เชิญจ้ามีไหมคุณผู้ชายสามวันแล้วนะที่ไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยช่วยส่งเสียงหน่อยสิจ้าแล้วเป็นกลุ่มน้อยก็ตามเหอะขอให้กลุ่มน้อยมีมีสมีเสียงหน่อยด้วยว่าไงมีซะบ้างนะเขาจะหาว่าเราไม่ยอมใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับเมื่อ อัยตนะภายนอกครับมากระทบกับอัยตนะภายในก็จะเกิดเป็นความคิดนะครับพอเกิดความคิดขึ้นนี่ยก็สัญญาจะเข้าไปความรได้หม่รู้นี้เข้าไปต่อเติมครับสังขารเข้าไปปรุงแต่งต่อนะครับอ่าโอเคเาะจะเห็นได้ว่าจากที่พวกเราพูดเมื่อกี้ก็คือมันเกิดการกระทบกันก่อนเพราะฉะนั้นตัวอัยตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมรมเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อมันกระทบกันปุบ๊บมันไม่ได้จบแค่นั้นเนี่ยเหมือนในเนี่ยอันนี้คือภายนอกอันนี้คือภายในมันมากระทบกันอมืมันกระทบกันกันจบแล้วเลืองกันกระทบแต่มันไม่จบ เพราะเวลากระทบแล้วมันเกิดอะไรขึ้น <C le ars> ถามว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการกระทบใช่ไหมไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนของไอ้ตัวนี้เข้าใจไหมมันเกิดจากการสั่นสะเทือนของไอ้ตัวนี้การกระทบมันจบไปแล้วเนี่ยมันกระทบจบไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกัน แต่เสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการสั่นสะเทือนชั้นใดก็เหมือนกันเมื่ออายุตนะภายนอกกระทบกับอายตนาภายในมันจบแค่ตรงนั้นแต่มันเกิดอาการสั่นสะเทือนต่อปัญหาก็คือเราไม่เคยรู้เท่าทันกลไกาการสั่นสะเทือนต่อของมันเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าความสั่นสะเทือนของมันเกิดในรูปแบบของความคิด ทีนี้ไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็จะเห็นได้ว่าตัวความคิดที่เกิดขึ้นนั้นมันคือคกลไกการทํางานของสัญญาที่เข้ามาตีความหมายว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้หมายถึงอะไรที่มากระทบนั้นถ้ามันจบแค่นั้นก็ไม่มีปัญหามันแค่ทํางานแค่สัญญาก็จบแต่ถ้ามันปรุงแต่งต่อล่ะสังขาร ก็เข้ามาปรุงต่อจนนําพาไปสู่ความรู้สึกพอใจไม่พอใจขึ้นเข้าใจไห้เห็นนี้ทีนี้แล้วก็อย่างง่ายๆอย่างเราเห็นผ้าผืนหนึ่งปิวสวัยอยู่บนยอดเสาสัญญาบอกไหมผ้ขมาขาม้าสัญญาบอกไว้ว่านี่นคือผ้ขอาขาม้าไม่ สัญญาจะบอกว่าอะไรธงใช่หรือไม่ธงและถ้ามันเห็นแถบว่ามีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีขาวสีแดงเรียงห้าแถบอย่างนี้มันก็หมายรู้ว่าเป็นธงชาติของชาติไทยมันคงไม่บอกเป็นธงชาติอื่นใช่หรือไม่ความหมายรู้มันก็บอกว่านี่คือธงชาติไทยเลียงหมายลงไปไหมหมายลงไปว่าไไสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึง สีน้ำเงินหมายว่านั่นคือมันก็เข้าใจไปตามความหมายที่เราได้รับสมมุติบัญญัติต่างๆเข้ามา <c oughs> มันน่าจะจบลงแค่นั้นใช่ไหมจริงมันจบลงแค่นั้นแต่พระเอิญตาที่เห็นธงนั้นอะธงมันนั้นขาดไงมีว่าขาดขาดแหว่งแหว่งชายขาดลุยล่ย สะบัด ต, ตามลมทีก็แบบแขกแักจะขาดอีกมีขาดแหลจบไหมทีเนี้ยมันปรุงต่อไว้สังขารจะเข้ามาทํางานทันทีเลยใช่ไหมทําไมพวกนี้มันไม่เคารพธงชาติทําไมพวกนี้มันไม่รู้จักเลยว่าธงชาติมีความหมายขนาดไหนมันไม่เข้าใจว่านี่คือสู่ลมใจของชาติของชนในชาติทําไมมันเอาของเก่าๆขาดๆมาชักธงขึ้นอย่างนี้ทุกกันย่างทีงนี้ เข็นกับกระบวนการที่มันปรุงไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับธงชาติแล้วนะตอนนี้มันเกี่ยวกับ ก, บกบบระบวนการบางอย่างที่ทำให้เกิดความไม่พอใจตามมาตรงนั้นเข้าใจไห ม, มเห็นไหมเนี่ยคิดภาพออกไหมจากตัวอย่างเมื่อกี้เนาะเพราะฉะนั้นจึงหมายความว่าไอ้ตัวความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมนาพาเราไปเป็น ทุกได้ัหมเป็นสุขเป็นทุกได้ไหมเมื่อมันปรุงแต่งเมื่ อ, อไหร่แค่สัญญาทำงานมันไม่มีปัญหานะสัญญาทำงานเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าสัตสังขารเข้ามาทางานเมื่ อ, อไหร่ปุ๊บกระบวนการหนึ่งจะเกิดขึ้นทันทีเราเรียกกระบวนการนั้นว่าปฏิจสมุปบาทเพราะฉะนั้นเราก็จะลากจุดปราตึ๊กๆๆ๊กตึลูกศรปลาปลาออกมาหน แล้วก็วาดรูปนาฬิกาขึ้นมาหนึ่งเรือนแบบนี้เห็นไม้มวาดรูปนาฬิกาขึ้นมาหนึ่งเรือนแบบนี้แล้วก็แบ่งเป็นสิบสองช่องอย่างนี้จากนั้น ก็เขียนตามอาจารย์ว่าไปที่หนึ่งนาฬิกาคือตอนนี้เรากำลังจะซูมซูมตัวความคิดออกมาเข้าใจไหมขยายความคิดออกมาให้เห็นชัดว่าไอ้ความคิดที่เราเราเห็นมันทุกเมื่อเช้าวันเราคิดว่า ร, ารู้ทันมันเนี่ยเอาจริงๆแล้วอาจจะไม่รู้ทันมันเลยก็ได้ <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นอยู่กับความคิดแล้วจมอยู่กับมันอยู่เพราะฉะนั้นความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ย เราเราซูมมันออกมาก็จะเห็นว่าแบ่งเป็นสิบสองช่องนะช่องที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งที่หนึ่งนาฬิกาเขียนว่าอาวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ความไม่มีสติไปที่สองนาฬิกาคือคือมันต่อกันนะไ อ, ไอเมื่อกี้เข้าใจไหม ม, มันไม่ได้แยกกันนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปเขียนหน้าใหม่เช่อมลากลูกศรไปด้วยนะแล้วลูกอรไปให้รู้ว่ามันต่อกันนะจ๊ะออสองนาฬิกาสังขารการปรุงแต่งใจสามนาฬิกาวิญญาณการรับรู้ 4นาฬิกานา ม, มารูปวงเล็บความคิดรูปรอยของความคิดที่เกิดขึ้น5นาฬิกาสลายตะนะสสเสือลอจุลาสลายอยักตอเต่านอนูสลาะนะสลายตะนะนะซึ่งสลายตะนะตัวนี้มันคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัธรรมารมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในใจด้วยกระบวนการสังขารคือการปรุงแต่งนะ เพราะฉะนั้นตัวหนาฬิกาจึงเป็นผัสสะผัสสะตัวนี้จึงเป็นมโนผัสสะเพราะเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นในใจเดีย๋ยวค่อยว่ากันลอกไปก่อนก็ได้จะได้เข้าใจเจนาฬิกาจึงเป็นเวทนาความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยเสร็จก็8นาฬิกาคือตัณหาความอยากได้อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากให้มันเป็น 9นาฬิกาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นตามตัณหานั้น10บนาฬิกาจึงเป็นภพคือมีอัตราตัวตนเข้าไปรองรับกับอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นนั้นเพราะฉะนั้นชาติมันก็เลยเกิดเข้าไปในสิ่งนั้ น, น, นในอารมณ์นั้นนั้นมันจึงเป็นทุกข์ใน12นาฬิกาเห็นหมสิบ ชาติชอชางสล า, าต่อเต่าชาตะเกิดฮะห้าห้าสรายตนะสอเสือรอจุลาสลาอายอยักษ์ต่อต่อนนูสลาอะวงเล็บรูปเสียงกลิ่นรสเก้ารอเกที่ถูกสร้างขึ้นในใจใหม่หก พัดสะขอพึ่งแมรอากาศสอเสือสองตัวแล้วก็สระเจ็ดเวทนาเดี๋ยวชีว้ให้ดูอันเนี้ยเจ็ดเวทนาตัวนี้ไอ้นะแปดตัณหาอยู่ตรงนี้นะข้าวอุปทาน ตัญหาคือความอยากได้อยากเป็นไม่อยากอยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปโอเคไหมจะยังยังะจะได้อธิบาย <c oughs> ตอนนี้พระอาจารย์มีทีมงานทําทําบอร์ดเกมฮะทาบอร์ดเกมเรื่องนี้แหละเพื่อเพื่อเพื่อเล่นแล้วก็ให้เข้าใจเรื่องนี้เรียกว่าบอร์ดเกมอีเขียวอะไรนะ <c oughs> ตัวไหน <c oughs> ให้มันใหญ่ขึ้น มันมันมันเต็มที่แล้วไม่งั้นมันจะมันจะมันจะแหวงแหวงหายหายนะถ้าใหญ่กว่านี้อันไหนจะอ่านให้ฟังตรงไหนอาบอกอานนี่อ้าหนึ่งนาฬิกาคืออาวิชาใช่ไหมวงเล็บคือความไม่รู้ไม่มีสติสองนาฬิกาคือสังขารการปรุงแต่งใจ 3. วิญญาณการรับรู้สนามารูปความคิด 5. สลายตนะรูปเสียงกลิ่นรสผภธภัธรรมรมที่ถูกสร้างขึ้นในใจ 6. ผัสสะหรือเป็นมโนผัสสะ 7. เวทนาความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยตันหาคือความอยากได้อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอุปทาน เก้านาฬิกาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นส0บนาฬิกาพบพอสําเพอพอผ่านพบหรือภาวะหรือภาวะคืออัตราตัวตนที่มันเกิดขึ้นรองรับกับอุปทานนี้เพราะฉะนั้นชาติชอช้างสลาต่อเต่าคือการเกิดมันก็เกิดเข้าไปในสิ่งนั้นๆเนื้ออารมณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายของมันก็คือความเป็นทุก์เมื่อครบรอบตามนี้โอเคไหม เมื่อก่อนนะผู้อาวุโสต้องใช้กระดานแบบนี้นะบรรยายต่อหลังมาก็นะเทคโนโ ล, โลยีมันก็ดีขึ้นฮนะ <c oughs> เอาอยัา ง, ยางเสร็จยังเสรยังจ๋า ทีนี้เรามาดูกันแบบครบสายเลยครบการทำงานทั้งหมดพร้อมเนาะแล้วเรามาดูกันตลอดเส้นสายการทำงานของมันดูที่ของพวกเราอแหละดูของพวกเรานะ อืเพราะจะเห็นได้ว่าพอรูปมันกระทบตาสัญญาเข้าทํางานมันคือรูปแบบความคิดขั้นที่หนึ่งเห็นตัวเลขหนึ่งไหมสัญญาเนี่ยมันเป็นรูปแบบความคิดขั้นที่หนึ่งน ะ, ะเพื่อบอกให้รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้หมายถึงอะไรจากนั้นกระบวนการ ถ้ามันจบแค่ตรงนั้นมันไม่มีปัญหาเข้าใจไหมคือแค่มันรู้ว่านี่คืออะไรอะไรก็จบไงมันไม่ได้ทําำอะไรเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาเรียนแบบโอ้ฉันจะสักตะว่าได้ยินฉันจะสักตะว่าได้กลิ่นฉันจะสักตะว่าจ่าสุดท้ายก็ใช้วิธีการกดข่มเพื่อจะสักตะว่าจริงๆแล้วก็ปล่อยให้ขันมันทํางานของมันนั่นแหละเราแค่มีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่แค่ขันมันทํางานทีนี้ดู พอสัญญามันทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นความคิดขั้นที่หนึ่งแต่ถ้ามันไม่จบแค่นั้นสังขารมันจะเข้าไปทํางานต่อเพราะว่นบรรยากาศเป็นความคิดขั้นที่สองเห็นยังอาจารย์เขียนหมายเลขสองไว้เห็นบ้าเพราะว่าพอสังขารมันจับเข้าไปปรุงแต่งต่อปุ๊บเนี่ยแทนที่กระบวนการที่มันจะมีแค่สัญญาเนี่ยมันกลับมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระทบนั้นนะ ก็เกิดเป็นความคิดขึ้นเปั้นถามว่านามมารูปคืออะไรปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละปัญหามันอยู่ตรงตรงนี้ตรงที่การอธิบายคําว่านามมารูปเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะอธิบายนามมารูปว่าเป็นรูปนามแล้วจากนั้นเวลาอธิบายนามมรูปตัวนี้เขาจะแยกไปอธิบายว่ารูปนามรูปคือมหาภุตา ร, รูป4นามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเจ็เ ส, จสิททั้งปวง แล้วยังไงพอพูดอย่างนั้นปับ๊บมันก็จะกลายเป็นมีเป็นรูปเป็นนามคือเป็นกลายเป็นจิตเพราะตรงนี้สลายจัตนะของเขาก็จะอธิบายเป็นรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เกิดมีผัสสะมากระทบจึงเกิดความพอใจนี่เข้าไปข้างในละอันนี้คือข้างนอกหมดเลยนะเนี่ยที่อธิบายเขาอธิบายในรูปในความเป็นรูปนามเนี่ยนะจากนามรูปเขาอจบายเป็นรูปนามเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะกลายเป็นข้างนอกเลย เข้าใจไหมกลายเป็นข้างนอกแล้วจึงมีผัดสะแล้วจึงเข้าไปข้างในแต่ในแต่ในกระบวนการอธิบายของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องการให้เห็นว่าข้างนอกมันจบไปแล้วการกระทบทางอยายสถานเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงมันเกิดมาจากของพ่อท้องแม่อย่างไงเอาตรงเลยว่าเรามีตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคือรูปเสียงกลื่นรสผลิภัณฑ์เนี่ยมันกระทบเราอยู่แล้วเข้าใจไหม เมื่อมันกระทบกับเราเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการปรุงแต่งมันจึงเกิดขึ้นต่อเมื่อเกิดกระบวนการปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นความคิดระดับขั้นที่สองปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเป็นร่องรอยแห่งความคิดที่เกิดขึ้นก็คือตัวความคิดที่มันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนา ธ, ธรรมรมขึ้นในใจเรามันจึงเป็นมนโนภษาษะเมื่อเป็นมโนภาษะมันจึงกลายเป็นเวทนาทางใจต่อแล้วจึงมีความรู้สึกบางอย่าง เกิดความอยากความไม่อยากเกิดตันหาอุบทานต่อไปเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อาจารย์กําลังอธิบายอยู่เนี่ยมันคือการเกิดเพียงชั่วพริบตาเลยใช่หรือไม่มันคือคกลไกที่มันทํางานชั่วพริบตาเมื่อมีการกระทบทางอายตนะปุ๊บมันกระบวนการตัหมุนทันทีอืมซึ่งตัวอย่างที่อาจารย์ชอบยกที่สุดคือเรื่องอีเขียวใครเคยเรีใคเคยฟังแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะ พอ ร, รู้สึกว่าคนยังไม่เคยฟังมึงเยอะสมมติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเรารักกันมากคบกันมานานหลายปีจนกระทั่งเมื่อสี่หปีที่แล้วเนี่ยเราก็อีกเขียวก็ทะเลาะ ก, กันถึงขั้นประกาศกูไม่เผาผีมึงนะเสร็จแล้วยังไงผ่านไปสี่ห้าปีพอดีวันหนึ่งมันวันเกิดเรา เราก็เลยอยากจะไปซื้อของที่ตลาดมาทำกินกับแฟนฉลองวันเกิดกันแบบที่บ้านเต็มที่ระหว่างที่กำลังซื้อผักอยู่เราก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อหมูต่อแล้วก็หันไปที่เคียงหมูปรากฏว่าตาเราไปสบพบเห็นแผ่นหลังผู้หญิงคนหนึ่งเบื้องหลังของเธอทั้งทรงผมสวดทรงอง์เอวและเสื้อผ้าที่ใส่ ตากระทบรูปรูปนั้นกระทบตาแล้วใช่หรือไม่สัญญาเข้ามาทำงานไหมว่าอีเขียวเข้าใจสัญญาเข้ามาทำงานว่าเฮ้ยอีเขียวจบไหมจบไหมมันแค่บอกนี่คืออีเขียวจบไม่มีทางอะสังขารทำงานต่อเลยเพื่เข้าไปปรุงแต่งต่อเพราะนั้นเรื่องราวระหว่างเราอีเขียวอุ้ยหายไป <c oughs> อีเขียวเฮียนมากเลยที <c oughs> <c oughs> นี้พอมันปรุงปุ๊บเนี่ยมันจะปรุงเรื่องอะไรมันก็ปรุงเรื่องเรากับอีเขียวทะเลาะ ก, กันนั่นแหละใช่หรือปเปล่าเรื่องเรากับอีเขียวทะเลาะ ก, กันเนี่ยก็เกิดเป็นทั้งรูปทั้งเสียงแหละใช่หรือไม่จริงมไหมเป็นนามารูปเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราทะเลาะ อ, อีเขียวเมื่อสี่หปีที่แล้วอย่างรุนแรงปุ๊บทั้งหมดเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจมันจึงเป็นมนโนพาสสะพราะมันเกิดในใจก็ ก, กระทบปัจจัย พอเป็นมโนภาษาปุ๊บตรงนี้ปุ๊บแน่นอนความรู้สึกบางอย่างจะเกิดต่อเนื่องกับตัวนี้ทันทีใช่หรือไม่มันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่อาจจะไม่พอใจในเหตุการณ์นั้นถูกไหมพอไม่พอใจในเหตุการณ์ถามว่ามันไม่พอใจเพราะรูปผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมไม่ใช่แต่มันไม่พอใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจนี้ต่างหากําได้ไหมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อเช้าที่มันกลุ่ น, นในใจแล้วก็ฟัดงวงฟาดงาคนอื่นะ่ะ ได้ไหมเพราะมันไม่พอใจไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจนี้ต่างหากเพราะฉันพอมันเกิดความรู้สึกไม่พอใจตรงนี้มันก็เกิดความอยากหรือไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทันทีจึงก่อเกิดมีความยึดมั่นถือมั่นตามเรื่องราวเหล่านั้นก่อเกิดเป็นตัณหาอุปาทานเป็นมีตัวตนเข้าไปรองรับกับเรื่องราวเหล่านั้นกลายเป็นทุกข์หมุนติ้วๆอยู่ในใจนาก่านั้นคิดต่อไปอีกปรุงแต่งต่อ อ, อีกอีเขียวนี่มันดากเจ็บมากเลยนะ ถ้าเกิดมันหันมาเจอเรานะ <c oughs> อันี่มันด่าคนนะมันไม่เคยสนใจวิธีไหนด้วย <c oughs> ภาพอีเขียวเท้าเซเอลด่าเราก่อนมันขึ้นมาใหม่อี ก, กนะ <c oughs> ใช่หรือไม่ระพอีเขียวเท้าเซเอลด่ามันโผล่มาอีกแล้วเกินหมุนไปอีกรอบหนึ่งหมุนติ้วตอีกทุกอีกพระเอิญผู้หญิงคนนั้นหันมาปับ๊บอ้าวไม่ใช่อีเขียวตกลงทั้งหมดนี้ทุกไปแล้วสองรอบสามรอบ ตกลงทุกข์เพราะเพราะความคิดกูทุกฟรีไปเฉยเฉใช่หรือไม่แค่เห็นหลังผู้หญิงคนนั้นมันลากไปหาอีเขียวจากอีกเขียวกลายเป็นเรื่องเราในอีเขียวในความคิดเรานําพาเราเป็นทุกข์อยู่อืเห็นแล้วยังมีไหมอาการแบบนี้ในชีวิตเรามีไหมนี่ไงเรียนธรรมะเรียนคําสอนพระเจ้าจงเรียนสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เคยสังเกตมันเท่านั้นเองเอาละ ผ่านไปเสียงกระทบหูเราก็กลังเลือกซื้อหมูอย uh> ู่อันนี้จะเอาหมูอะไรนี้อาสันในหรือสันนอกหรือว่าคากิดีกาลังคิดกาลังเลือกอยู่นะมีมีคุรุโบตะไหมปรากฏว่าก็มีเสียงเดินพูดมาเสียง โอ้โหระดับเดซิเบลท่วงทํานองการพูดและสำเนียงนั้นสัญญาสัญญาวิ่งมาทํางานทันทีว่านี่คือเสียงอีเขียว e <laughs> จบไหมไม่จบฮะสังขารเขาทางานต่อเลยใช่หรือไม่เพราะอยางว่าสังขารตัวนี้กับสังขารตัวนี้อันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเพราะพอสังขารเข้ามาทํางานปั๊บก็เกิดเป็นเรื่องราวนี่แหละเสียงนี้แหละที่ด่า ก, กวนนั้น เสียงนี่แหละที่ด่า ก, กลัวนั้นอย่างรุนแรงจนต้องเลิกคบกันกลายเป็นเรื่องเราทะเลาะกับอีกเขียวอีละความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในใจเราอีละเห็นไหมเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าพอมันเริ่มปรุงแต่งมาถุงตรงเนี้มันจะกลายเป็นความคิดขั้นที่2ความคิดที่มันเหนือกว่านั้นคือความคิดขั้นที่สคือความคิดที่มันมาจากความพอใจความไม่พอใจตรงเนี้แล้วมันซ้อนลงไปได้วยความมีอัตราตัวตนรองรับกับกระบวนการตรงนี้ มันยังก่อเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่กล้าไม่กล้าหันไปดูว่าอีเขียวมาจริงไหมก็ทําเป็นแกล้งก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตาเลือกหมูแต่หัวใจติ้งตุบตุบตุบตเขียววันเจอกูจิงหัวตบในหมูใช่ไเอาขาหมูฟาดหัวกูจะว่าไงวันเนี้ยใจก็คิดไปพอพอคิดอย่างนั้นปุ๊บมันก็มาเลยอีเขียวโหดมากนะในสายตาเรา ในความทรงจํำที่เราจําได้เพราะเราสนิทกับมันมากไงเวลาเรามีเรื่องที่อะอีเขียวนี่นําหน้าให้ก่อนเลยอะไรเงี้ยเวลาเราไปทะเลาะใครนี่อีเขียวโดดตบหน้าก่อนเลยอยมันตกกางตลาดแน่เลยข่าวหมูฟาดกูจะว่าไงทุกอยู่สักพักหนึ่งเสียงนั้นก็เดินผ่านหลังเราไปเอา้าทำไมไม่ไมอีเขียวไม่เห็นกูหรออีเขียวไม่สนใจกูใช่ไหมเนี่ยเลยชำเลืองมอง <c oughs> ไม่ใช่อีเขียว <c oughs> ทุกฟรีใช่หลือไม่ เราก็เกิดอาการทุกฟรีไปจริงไหมทุกฟรีไปอีกครั้งหนึ่งตัวลงเราทุกเพราะเสียงใช่ไหมไม่ใช่เสียงเป็นแค่ตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการปรุงแต่งเท่านั้นเองแต่จริงๆเราทุกเพราะการปรุงแต่งทุกเพราะนามารูปนี่เองที่เราเกิดความพอใจความไม่พอใจต่อ น, นามารูปเนี่ยเข้าใจไหมเอานะอ่ะทีนี้เรามาดูซื้อของเสร็จกลับบ้าน เปิดประตูบ้านป๊บอีกเกียวกับเราเนี่ยคบกันมานานมากเพราะฉะนั้นอีเขียวใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรกิ่นอะไรเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์มันเลยเข้าใจไหมประมาณว่าได้กลิ่นนี่คือกลิ่นอีเขียวอะ่ะแบบอิเขียวมายืนรอเราแล้วมันเดินจากไปเนี่ยเราเดินมายังรู้ว่าอิเขียวเคยยืนตรงนี้อะ่ะเข้าใจปะวันนี้เราเปิดประตูบ้านเข้าไปจะกลับเข้าบ้านปุ๊บ กินน้ำหอมปุ๊บมาเลยสัญญามันบอกว่ า, ากินอีเขียวจบไหมไม่ปรุงต่อเลยมันมาทําไมหรือมันจะมาขอโทษเราเพราะวันนี้วันเกิดเรารู้มันจําได้หรือว่ามันรู้ว่าเรามีแฟนแล้วมันจะมาหักหน้าเรามันจะรูน่นนี่ยืนสตันอยู่หน้าบ้านไม่กล้าเข้าบ้าน ไม่กล้าเข้าบ้านจมอยู่กับความคิดหมุนติ้วหมุนติ้วเป็นทุกข์อยู่ในใจใช่เหรอแมะสักพักหนึ่งแฟนเราเขาโผล่อ่ามาเซอร์ไพรส์จ้าวันนี้วันนี้ของขวัมันเกิดได้เชีซื้อน้ำหอมมาฝากโอ้โหมึงเซอร์ไพรส์กูหนักมากเลยน้ําหอมกลิ่นอีเขียวต้องลองท like ุกฟ right? ีอยู่อยู่อยู่หน้าบ้านไมกล้าเข้าบ้านแค่กลิ่นเข้ามากระทบเห็นไหม ตกลงเราทุกข์เพราะกลิ่นใช่ไหมไม่ใช่เราทุกข์เพราะมันปรุงแต่งเรื่องอีเขียวขึ้นมาในใจเพราะมีกลิ่นมาการะตุน้นใช่อห ม, อ, มอันนี้แบบเป็นเหตุการณ์แบบซอบซอนนะถ้าสมมุติแบบเอาโหดหน่อยโหดหน่อ ย, หหอยแบบรักสามเศร้าเราอีเขียวและแฟนเราเนี่ยแตบบ่ว่าเป็นรักสามเศร้าแล้วเราอ่ะชิงอีเขียวมาได้ <c oughs> เอา้ามันจะเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยเราอะชิงอีเขียวมาได้กลิ่นกระทบจมูกเปิดประตูบ้านไปเจอกลิ่นน้ำหอมอีเขียวสัญญาบอกว่านี่กลิ่นน้ำหอมอีเขียวใช่ไหมอีเขียวมันมาบ้านนี่มันแอบนัดพบกันใช่ไหม <laughs> <laughs> มันแอบนัดพบกันใช่ไหมเนี่ย นี่กูไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นก็ภาพเรื่องลาวระหว่างเราสามคน <c oughs> เขาคนหนึ่ง <c oughs> ฉันคนหนึ่ง <c oughs> เธอคนหนึ่งเราสามคนแล้วคนหนึ่งรักคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งอยู่เพื่อใคร มันก็จะวนเวียนวนเวียนภาพระหว่างเราออกเขียวกับแฟนเราเข้าใจไหมออจริงรักหักสวาดกันที่สำคัญมันแอบมาพบกันไม่น่าช่วงหลังๆมานดีกว่น้นท่าทางมันแปลกแก <c oughs> <c oughs> มันเริ่มมันเริ่มหยิบเอาเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้มาปรุงแล้วใช่ไหมไอท้ที่ไอ้ที่ไม่เคยสงสัยเริ่มสงสัย ก่อนมันบอกจะกลับมากินข้าวก่อนกลับมากินข้า ว, ก, า ก, าวก็เย็นกันทุกวันชักหลังๆนี้ไม่กลับนะบางทีสิ้นเดือนนี่หายไปเลยอะไรเงี้ยเริ่มเอามาปรุงใส่ละลากโยงไปหาไอ้เขียวหมดเลยสุดท้ายแฟนเดินมาซื้อน้ำหอมมาฝากดีใจไหมมึง ย, ยังไม่ลืมมันใช่ไหมมึง ย, <laughs> <laughs> ยังไม่ลืมมันใช่ไหม มึงยังคิดจะให้กูเป็นมันอีกเหรอไม่เจอตัวมันขอให้ได้กลิ่นมันก็พอใช่ไหม <c oughs> บ้านแตกสแลกขาดเ <c oughs> <c oughs> <pe ak> พียงเราะกลิ่นใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกียกกเก่ยวกับกลิ่นเกี่ยวกับเนี่ยมันปรุงอยู่เนี่ยสิ่งที่มันปรุงอยู่เนี่ยเข้าใจยังเห็นม เหมือนกันรสก็เหมือนกันเวลาเรากินกว๋วยเตี๋ยวอะที่เราปรุงกว๋วยเตี๋ยวอะถามว่าทําไมเราถึงปรุงอือเพราะเรามีกว๋วยเตี๋ยวรสรสที่ถูกใจอะ่ะอยู่ในใจเราอะเข้าใจไหมมันมีรสนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราปรุงอะ่ะเราจึงปรุงแล้วก็ชิมอมถ้าปรุงรสชิมออื ยังไม่ได้ชิมิคถ้าอื้อก็โอเคคาว่าอื้อเนี่ยโอเคเนี่ยเพราะว่ามันใกล้เคียงกับลดในใจเราเข้าใจไหมเหมือนลดในใจเราเราก็เลยยอมรับ ม, มันแต่ถ้าปรุงแล้วลดไม่ได้หลังใจไม่เหมือนในใจเข้าใจยังใครเนี่ยที่เขาเข้าใจคำว่าไม่ได้หลังใจไหม <laughs> เพราะในใจเรามันมีภาพ มันมีรสมันมีเสียงมันมีกลิ่นบางอย่างที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเราพอใจกลิ่นนี้เราพอใจรสนี้ว่ากระบวนการต่างๆของเราจึงเป็นกระบวนการทำเพื่อให้มันได้รสในอดีตนั่นจึงหมายความว่าเราไม่เคยกินอาหารผ่านรสปัจจุบัน จำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าทำไมผู้หญิงคนหนึง่งเขาบอกว่าความอร่อยมันหายไปที่บอกว่าเธอนั่งกินข้าวกับพระอาจารย์แล้วเธอบอกว่าความอร่อยมันหายไปจําได้ไหมเพราะในขณะที่เธอกินด้วยการมีสติอยู่ทุกขณะแห่งการเคี้ยวนั้นรสมันปรากฏเค็มก็มีหวานก็มีเผ็ดก็มีเปรี้ยวก็มีทุกอย่างมันมีหมดแต่มันไม่มีคาว่า อร่อยมันไม่มีความรู้สึกอร่อยเพราะมันไม่เกิดการเปรียบเทียบจำได้ไหมมันไม่เกิดการเปรียบเทียบมันมีเพียงความเป็นปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นขณะขณะนั้นเพราะฉะนั้นตัวนามารูปคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิัณฑธรรมรมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเรามันตั้งเอาไว้เนี่ยมันคือตัวชี้มันคือตัววัดมันคือตัวอะไรก็ตามเราจึงจําเป็นต้องรู้ทันตัวเนี้ย เนี่ยต้องรู้ทันตัวเนี่ยเดีย๋ยวที่อาจารย์ชอบเล่าว่าพระอาจารย์กลัวทุกแกมากแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงกลัวเห็นทุกแกทีไรจะเสียวคอวาบแล้วก็วิ่งหนีจนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์นั่งยกมือสร้างจังหวะขณะนั่งยกมือสร้างจังหวะกับพื้นนั่งกับพื้นเราเนี่ยในศาลาที่วัดโพทองของหลวงพองอมเขียนนะเรานั่งยกมือไปวาทุกแกตกตุ๊บลงมา ห่างจากหัวเข่าไม่ถึงศอกคุณคิดดูคนกลัวตุ๊กแกแล้วตุ๊กแกมันหล่นลงมาตรงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่ า, าจะรยุกวิ่งหนีไหมไม่ฮะตอนนั้นมันยกมือสั้นจังหวะอยู่พอหล่นตุ๊บลงมาปั๊บมือมันค้างเลย <c oughs> ตาเห็นปุ๊บมือค้างขณะที่มือค้างจังหวะตรงนั้นปั๊บเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันย้อนเข้าไปในอดีตแบบเร็วมากเลยมันอยู่ในระบบใต้สํานึกเลยนะ เป็นจิตใต้สำนึกนะ่ะมันย้อนไปเห็นเรื่องราวเด็กชายกันชิดยืนอ่านหนังสือกาตูนเรื่องตุกแกผีจริงกาตูนเล่มระบาทอ่ะแล้วเชื่อไม่ว่ามันย้อนกลับไปเนี่ยมันเห็นทุกหน้าทุกช่องทุกตัวหนังสือเลยมันมันเหมือนเรายืนอ่านหนังสือเล่มนั้นใหม่ใหม่หมสดสด แต่เวลาที่มันใช้ในเวลานั้นมันแค่หนึ่งหรือสองวินาทีเท่านั้นเพราะตุ๊กแกไม่ได้หล่นตูบลงมาแล้วจุกแอกค้างอย่างนั้นไม่ใช่เขาโดดลงมาต๊บแล้วเขาก็วิ่งตุ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆมาแล้วก็มาคาบเอาตะขาบที่กำลังจะมุดผ้าอาจารย์แล้วก็ออกไปแล้วก็มองตามตุ๊กแกเอ้าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่กลัวตุ๊กแกตัวนี้เลยล่ะ พรมันถูกเฉลยไปเมื่อกี้ว่าที่แท้แล้วที่เรากลัวตุ๊กแกเพราะมันมีเรื่องราวเรื่องตุ๊กแกผีในในหนังสือการ์ตูนที่ตุ๊กแกผีมาแก้แค้นด้วยการกัดคอคนแล้วพิษในตุ๊กแกก็เข้าสู่กระแสเลือดไอคนนั้นก็เลยตายตุ๊กแกมีพิษไห ม, ไมตุ๊กแกไม่มีพิษแต่เด็กชายคันชิดเชื่อสนิทแล้วมันกลายเป็นสมมติบัญญัติที่ฝังลงมาในใจแล้วว่า แกกัดคอแล้วตายนั่นคือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์เห็นตุ๊กแกพวกมันเสียวคอวาบเลยมันเกิดอาการทางกายด้วยมันเกิดอาการทางจิตด้วยนั่นที่ผ่านมาก็คือพอตาอาจารย์เห็นรูปใช่ไหมที่ผ่านมาก็คือพอตามันเห็นรูปตุ๊กแกปับ๊บมันจะเรียกว่ามันหมุนติ้วเร็วอย่างนี้ก็ได้หรือว่ามันเด้งอย่างนี้เรือก็ได้ ถ้าจมันเด้งดึงไปเลยจ า, จากหนึ่งไปหา ส, สคือไม่ได้วิ่งตามนะมันฟึุบไปทุกเลยนั่นแหละคือจริงๆแต่จริงๆแล้วมันทำงานนะมันทำงานตลอดแต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็ น, นกลไกของการทำงานตัวนี้รู้อย่างเดียวว่าพอตายเห็นตุกแกปุ๊บมันกลัวเลยทุกและ12สอนาฬิกาทันทีแต่วันนั้นเนี่ยพอตายเห็นตุกแกปุ๊บมันเห็นกระบวนการตัวนเนี้ยเนี่ย วันนี้กระบวนการตรงนี้เข้าใจไหมแล้วพออาจารย์ขยับมือปั๊บเนี่ยภาพเรื่องราวเหล่ า, านั้นมันดับปุ๊บลงไปเพราะดับพิบลงไปปุ๊บตุ๊กแกก็วิ่งมาครับคับจะขาดแล้วก็ออกไปมันจึงไม่ต่อไปตรงนี้เข้าใจไหมมันจึงไม่ต่อไปตรงนี้พอมันไม่ต่อไปตรงนี้มันจบลงตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นเหตุ ตรงนี้มันจังเป็นผลเพราะฉะนั้นขีดแบ่งนาฬิกากเป็นสองซีกอย่างเนี้ยจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้คือเหตุฝั่งนี้มันคือผลผลที่นําพาไปสู่เป็นทุกข์อ่ะเข้าใจไหมเพราะมีตัวนี้เป็นสมูทยัย <c oughs> เหมือนกันที่เราทุกข์เพราะอีเขียวเราไม่ได้ทุกข์เพราะตาเห็นรูปนั้นแต่เราทุกข์เพราะเรื่องราวที่เราเกิดขึ้นกัอีเขียวที่เรากับอีเขียว เราจึงไปสู่ความเป็นทุกข์ตรงนี้ได้เพราะฉั้นกระบวนการในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่เราทํากันอยู่เนี่ยคือการที่เราฝึกให้มีสติรู้ทันความคิดให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งมันเข้าไปมีสติรู้ทันตอนตอนเกิดเรื่องราวนี้แล้วไปรู้ทันที่ผัสสะในใจที่เรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นเราจึงบอกว่ามีสติรู้สึกตัวที่6นาฬิกาหรือ ถ้ามันไม่ทันที่หกนาฬกาก็ขอให้ไปทันที่เจ็นาฬกาตอนที่มันมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นเข้าใจไหมให้กลับมารู้สึกตัวถ้าสามารถทํานี้ได้ปุ๊บทุกจะไม่เกิดยืนยันว่าทุกไม่เกิดเพราะฉะนั้นจำได้ไหมที่อาจารย์เล่าให้ฟังในวันแรกเรื่องความไม่ทุกข์ จากความเจ็บป่วยครั้งนี้ของพระ อ, อาจารย์แล้วอาจารย์พูดให้ฟังว่าอาจารย์ไม่ทุกข์กับมันเลยในทุกกรณีใช่ไหมกรณีแรกสัญญาไม่มีมันเลยไม่ปรุงกรณีที่สองมันเอาสัญญาอะไรมาก็ไม่รู้เอามาใส่มาปรุงคือเอาจาะสว่านมือแล้วก็ดูดดูดรดช่องทำได้ไหมบ่ายแห่งความไร้สาระไปและในวันที่ในครั้งที่สม มันก็สร้างกระบวนการเหล่านี้สร้างเหล่านี้สร้างเหล่านี้เข้าใจไหมสร้างแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับมันไม่ต่อมันไม่ต่อเพราะพระอาจารย์ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับมันเห็นเป็นเพียงกระบวนการปรุงแต่งของสัญญาและสังขารทํางานมาจบลงตรงนี้เพราะใจมันรับรู้ใจมันเห็นกระบวนการเหล่านั้นภาพเหล่านั้นมันเกิดเรื่องราวเหล่านั้นมันเกิดสิ่งที่หมอพูดก็มาสัญญาต่างๆมันมาทั้งหมดมันทํางาน มันทางานในรูปของนามารูปปรากฏขึ้นมากระทบที่ใจกระทบที่ใจกระทบที่ใจกระทบที่ใจตลอดแต่มันไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายต่อไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในค่มคืนที่อาจารย์ท้องเสียมันก็ไม่ได้ทำให้อาจารย์เป็นทุกข์ต่อให้เวทนาเวทนามันเป็นเป็นเป็นผดทัพทะได้ในในตัวเนี้ย ตอนที่อาจารย์ท้องเสียแล้วท้องมันบิดอ่ะท้องมันบิดมันมวนเข้าใจไหมอ่ามันเป็นผลพัฒน์กระทบกายนะเออมันมันไม่ใช่ธรรมะลมมันท้ใจนะมันเป็นผลพัฒน์กระทบกายเพราะมันเกิดเวทนาขึ้นอันนี้มันก็มันก็มันก็เป็นกระบวนการที่เห็นเฉยๆแล้วก็แล้วไปมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งไปต่อทางนี้ไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติรู้สึกตัวทันที่6นาฬิกาปุ๊บความทุกข์มันไม่อาจจะต่อได้มันไม่อาจจะต่อไปเป็นทุกข์ได้ถ้ามันจัดการตรงนั้นได้เพราะนั้นเราจึงบอกว่านี่คือเหตุฝั่งนี้คือเหตุฝั่งนี้คือผลเพราะนั้นกฎอิ ท, ปปทัิปยตาจึงบอกว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิด เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเข้าใจเพราะเราจัดการที่เหตุด้วยการรู้ทานปุ๊บมันจบลงตรงนั้นปุ๊บจบเราไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายหรือมีตานหาอุปทานกับมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยกับสิ่งที่มากระทบตรงนั้นเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> จำเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่ามันจะโยงไปเรื่องของพระสูตรที่เราจะได้สวดจะไม่ได้สวดใช่ไหมอาทิตต์ประยยาจสัสร เดี๋ยวสวันนี้เพราะฉะนั้นอธิตาปรยายยสูตรก็คือพระสูตรที่ทําให้เห็นชัดเลยตรงเนี้เพราะมันจะเกี่ยวกวับรูปเสียงกลตติ่นรสโวดตาพระธรมมลมเป็นของร้อนเนี่ยเออมันจะไม่เป็นของร้อนถ้ามันสามารถจัดการตรงนี้ได้แต่ถ้ามันจัดการตรงนี้ไม่ได้รูปที่กระทบตาก็กลายเป็นตัวกระตุ้นให้อยากได้อยากมีอยากเป็นกับมันมันก็กลายเป็นของร้อนเสียงที่กระทบก็กลายเป็นของร้อนเพราะมันอยากได้อยากมีอยากเป็นกับมันเพราะมันเป็น ผลจากตัวนี้ผักดันออกไปเนาะโอเคไหมฟังอย่างนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็เลยจะให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ว่าเนี่ยเธอจงมีสติรู้สึกตัวทันมันเถิดนะเพราะอาจารย์หนึ่งชอบมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปเข้าคอร์สปีที่แล้วมาเข้าคอร์สพระ อ, อาจารย์เข้ามาเข้ามาสองวันสุดท้ายคอร์สมีห้าวัน แต่สองวันสุดท้ายเนะี่ยเขาได้ทันเรียนอันนี้พอดีสองวันสุดท้ายได้ทันเรียนอันนี้พอดีเขาบอกว่าไงรู้ไหมพอวันสุดท้ายก็ให้แสดงความรู้สึกใครอยากแสดงความรู้สึกเขาขอเลยคนแรกผมผมเองครับอาจารย์ผมขอขอแสดงความรู้สึกครับเออคนใต้ไงผมมาเรียนนี่ผมไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกครับผมเพิ่งได้เรียนสองวันแต่ผมรู้อยู่อย่างเดียวว่าชีวิตผมจะไม่ทุกข์ถ้าหยุดที่หกนาฬิกา ผัดมว่าผมผมไม่รู้อะไรเท่าไหร่หรอกครับผมเพิ่งมานีนแต่ผมเข้าใจว่าชีวิตผมจะไม่ทุกข์ถ้าหยุดที่หกนาฬิกาจารย์บอกภาษาุมาเรียนแค่สองวันคุณเข้าใจตรงนี้ได้ก็โอเคแล้วอะ่ะ <c oughs> คือวลาคุณจับเอาหัวใจหลกักของการดับทุกข์ได้เนี่ยของการที่จะไม่ทุกข์ได้เนี่ยคุณจับได้ตรงนี้ก็ใช่เลยนั้นการฝึกเจริญสติของเราจึงเป็นไปเพื่อให้รู้ทานความคิดจําได้ไหมที่อาจารย์บอก เพราะความคิดคือกระบวนการสร้างของนามารูปที่มันเกิดขึ้นผลงานของสังขารแล้วมันจะต่อไปตรงนี้แต่ถ้าเรารู้ทันตรงนี้ได้ปั๊บตรงนี้มันก็ต่อไม่ได้เออพราะมันรู้ทันไปแล้วรู้ทันความจริงตรงนี้ไปแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากเลยกับสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นบ่ายนี้พระอาจารย์จะให้พวกเราปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองจะอยู่ข้างบนนี้ก็ได้ห้องข้างล่างก็ได้ใต้ลมไม้ชายคา ขอให้เราเลือกที่เดินจงกลมของเรา mm hmm. เลือกที่ปฏิบัติของเรานะอย่าไปเดินตัดกันไปตัดกันมานะ mm hmm. แล้วก็อย่าไปเดินตามกันเป็นแมงเม่า <laughs> บางคนเห็นเขาเดินจงกรมตรงไห น, นก็ไปเดินตามเขาต้อยต้อยต้อย ต, อ ย, ตอยอยู่โอ้ไม่ต้องไปตามเขาก็ได้ไปหาของตัวเองนะแล้วคอยดูเถอะมันจะมีคนบางคนนะมองเล็งอะไรแล้วว่าฉันจะไปเดินจงกรมตรงไห น, น แล้วพอเขาไปเดินมีพอไปถึงปุ๊บมีคนเดินอยู่แ <like ย่งที่กูยังไม่ได้ปักป้ายจองยังไม่อะไรเลยนะแต่มันมีเป็นของกูไปแล้วเชื่อไหมมันจะมีนะ น, นี่พูดไว้ก่อนดักไว้ก่อนนะแล้วพอเห็นเห็นตามที่อาจารย์ว่าอหัวล็อกกากเลยนะเอ้ยเป็นจริงจงด้วยอะไรเงี้ยอ่ะาไป กาพะแล้วก็ไปปฏิบัติกัน <Okay. S 1> ให้สังเกตดูตามนี้เนาะดูแล้วกันตามันกระทบหูได้ยินเสียงก็ไม่เป็นไรให้ดูที่ใจว่ามันคิดอะไรรู้ทันตรงนั้น